จัสมุปาดาันเทสคันทะปบังทไมนั่งงั้นนะฮะทำไมนั่งงั้นนะ ฮะอ๋ะอนี่มัง่งเขานั่งเอาหมอนหนุนหัวข่าวซ้ายขวาเนี่ยยังงี้บอกฮดขันเอาลงปวดปวดตามปกติเขามันนะบอกอ๋อลงนมัสตอย หลงลุมต่อยปวดอลงลุ่มต่อยปวดเฮ้ยห้มาอยู่วัดด้มาเนียมาจากมือละมาเมือเช้าเนี่ยมือนกับอืม การที่เราสวดมันเป็นการศึกษานะที่เราบทสวดบทเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นบทธรรมธรรมกายเวทนาจิตธรรมมันเป็นบทธรรมคำว่าธรรมธรรมธรรมในที่นี้หมายถึงอารมณ์ที่มันล่วงไปแล้วอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นภายในใจหรือเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ธรรมารมธรรมารมเราได้เอยียงหนึ่งว่าธรรมารมเราลองนั่งหลับตาแล้วก็ภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธโภาวนาไปภาวนาไปความยินดีความพอใจมันเกิดขึ้นการมชันทะ ยินดีพอใจในกามเนี่ยมันก็ตัดอารมณ์พุโทโธพุธโทโธไปแล้วมันตัดอารมณ์พุโทโธที่เยววันนิวรนิวรนเครื่องกัน้นเครื่องกัน้นกามฉันทะพยาบาทะ <c oughs> ไม่รักะม่ชังพยาบาทกามฉันทะพยาบาทปาทะถีนะ ไม่พยายามก็ง่วงนอนทีน่ะนมิท h a อุจจตจักุจจะไม่ง่วงนอนกับฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านรำคาญไม่ฟุ้งซ่านรำคาญก็ลังเลสงสัยวิจิกิจฉาลังเลสงสัยในใจอารมณ์เหล่านี้เป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจที่เรียกว่าธรรมอารมณ์ธรรมอารมณ์อารมณ์เหล่านี้แหละท่านเรียกว่าธรรมธรรม อารมณ์อะไรก็ตามเกิดขึ้นเอาสติเป็นตัวกำหนดจดจอรู้นี่คือการพิจารณากำหนดจดจ่อด้วยสติสติปัฏฐานสติปัฏฐานเอาสติเป็นพื้นเป็นบาดเป็นฐานสตินี้เป็นแม่งานของทุกงานของทุกอย่างของทุกเรื่องสติเป็นแม่งาน ถ้าสติอยู่แล้วงานได้เพราะสตินี่เป็นแม่งานถ้าสติไม่อยู่แล้วงานไม่ได้ละพุโทโธพุโทโธพุทโธอารมณ์รักเข้ามาแล้วอารมณ์ชังเข้ามาแล้วอารมณ์โกรธอารมณ์เกลียดอิจฉาริษยาพยาบาทวกเข้ามาแล้วพุโธไม่ได้ดอกเพราะอะไรเพราะหัวหน้างานไม่อยู่สติเป็นหัวห น, น, น้างานสัมปชัญญะเป็นหัวหน้างา น, าน อลูกสมุนที่คอยมาอุดหนุนวิริยะอุดสาหะความอดความทนเป็นคุณสมบัติของใจมันทำมันนำต้่ํารวมหลอมรวมลง ม, ม, ม, ม, ม, ม, มาที่ใจดวงเดียวนี่แหละะเวลามันเกิดอยู่ในนี้แหละเวลามันอยู่มันอยู่ในนี้เวลามันอยู่แล้วดูไปแล้อะไรก็อยู่หมดเวลามันไม่อยู่อะไรมันก็ไปหมดแล้วสติก็ขาดไปแล้วอ่า วิริยะความความภากความเพียรเราขาดไปแล้ ว, ข า, ลวขาดการพยุงขาดการประคับประคองเราสังเกตดูตัวนี้แหละมั น, เ ป, นเป็นตัวประตูแรกที่มันกั้นเราเวลาเรานั่งภาวนาะตัวนี้แหละใจมันไม่อยู่กับพุทธโธมันไม่สงบมันไม่สงบอยู่กับพุทธโธอารมณ์ที่เราป้อนเข้าไปมันไม่อยู่ทําไมมันถึงไม่อยู่เพราะหัวหน้างานขี้เกียจ หวหน้า ง, งานขี้เกียจขี้คร้านสติมันมีกําลังน้อยทำทำทำแล้วกหลอกไปแล้วทำทำทำแล้วหลอกไปแล้วอหัวหน้า ง, งานไม่อยู่งานไม่ได้งานไม่เดินงานไม่ไปไปเล่นซะไปเล่นเฉยไปเล่นนู้นเล่นนี้เล่นกรรมฉันทะพยาปาทะ ที่นัมิถะง่วงงาวหาวนอนซะะไม่ง่วงเงาหาวนอนก็ฟุ้งซ่าน น, น, น, า น, น, านึกนู้นบ้างนึกนี้บ้างนึกนี้บ้างนึกนั้นบ้างนึกไปนึกมารับหน้าไม่ถูกรับหลังไม่ได้ฟุงฟ้งฟุ้งซ่านรำคาญมันเดือดดาลในจิตดวงนั้นจะิตมันเดือดมันดาลพุทโธไม่อยู่นี่คือเครื่องกีดเครื่องกัน้นตัเรียกว่าเครื่องกัน้นนิวรณธรรม มันเป็นธรรมะที่เกิดขึ้นในใจเรานั่งหลับตาแล้วสิ่งเหล่านี้เรโผล่ขึ้นมาเอาสติกำหนดจดจอ่อเพราะสติเป็นแม่งานสติกำกับโผ่อยู่พุทโธพุทโธสติสัมปชัญญะมาด้วยกันมาพร้อมกันพยายามทำความรู้จักกับสติของเราพยายามทำความรู้จักกับสัมปชัญญะของเรา เพราะอันนี้เป็นตัวแม่งานเป็นหัวหน้างานเป็นผู้กากับดูแลงานเป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่เอามาใช้งานได้งานได้การจากเครื่องไม้เครื่องมืออันนี้เป็นเครื่องมือชั้นเยี่ยมชั้นดีชั้นเลิศชั้นประเสริฐที่สุดที่เป็นคุณสมบัติของใจของเราเกิดมาพร้อมกับใจเกิดมาพร้อมกับใจแต่ว่ามันจะมันจะอยู่ทุกขนาด ช่วงระยะแวหายไปแล้วถ้าเราไม่ฝึกมันไม่อยู่เพราะฉะนั้นผู้ที่มีสติต่อเนื่องเพื่อต้องผ่านการฝึกไม่ฝึกไม่อยู่ที่เรียกว่าสติสั้นสมาธิสั้นเดี๋ยวนี้มันมีศักย์ใหม่ๆนะคนสมัยใหม่เขาเรียกสมาธิสั้นสมาธิสั้นก็คือมันไม่มีสตินั่นแหละ มันไม่ได้ตั้งใจกําหนดจดจาะต่อเนอื่องความเพียรความอดทนไม่พอนีนปล่อยท่านั้นแทรกเข้ามาปล่อยนี่แทรเข้ามาไม่อยู่ทุติยไม่อยู่ไม่อยู่กับพุโทโธเอาพุโทโธมากำกับจิตจิตไม่อยู่จิตไม่สงกนี่แหละคือปัญหาเราดูนี่คือปัญหานี่คือประตูแรกที่เราไปไม่ถึงไหนตัวนี้แหละเป็นตัวขวางสะสมเข้าไป อบรมเข้าไปอบรมจิตนั่นแหละสะสมเข้าไปสะสมสติ ส, สมาธิปัญญาเข้าไปอการมชันทะคาว่าการมชันทะยินดีพอใจเกี่ยวกับอารมณ์กรรมยินดีพอใจเกี่ยวกับอารมณ์กรมยินดีพอใจในรูปลับตาไปเห็นหนะ้ารูปนะรู ป, ปรสัญญา เป็นสัญญาที่รวไปแล้วอยู่ในใจสัญญาคือความจําได้ตาเรามีเราเคยเห็น เ, เห็นจํารูปหญิงจํารูปชายเราจําได้รูปสวยรูปงามจําได้สัญญาสัญญามันหลอกสัญญามันคอยหลอกเป็นรูปรูปที่รงมไปแล้วเป็นสัญญาที่รูปรอารมรูปรอารม ทำให้รูปกับเสียงสัทธารมสัตตะสัตตะสัทธาสัทธารมอารมคือเสียงหลับตาได้ยินเสียงมาเสียงนี้คืออารมณ์เก่านึกถึงเรื่องนั้นคนนั้นด่าแหมเสียงมันแววมาเลยนะแน่นี่คือสัทธารมสัทธสัทธสัทธสัญญา สัญญาคือเสียงที่มันล่วงไปแล้วมันโผล่มันตกค้างอยู่ที่จิตมันมีตัวสัญญาตัวนี้มันเป็นตัวเก็บเอาไว้มันเป็นตัวประทับตราเอาไว้ตรึงตราทำให้เกิดมองเห็นเป็นการตรึงตราอยู่ในหัวใจของเราอึกเรื่องถึกเรื่องเสียงเรื่องกลิมนนึกเรื่องร้นึกเรื่องนึกเรื่องนึกเรื่องร้เราคิดดูที่ หน้ามะขามอ่อนหน้ามะม่วงอ่อนเนี้ยนึกถึงรสมะนาวมะนาวโซดามะนาวน้ำเพิงเนี้ยนึกเรื่องรสมาที่นึกไปนึกมานึกมานึกไปแนวน้ำย่อยไหลน้ำย่อ ย, ย น, น้ำย่อยอะไรแน่นี่เขาเรียกว่าเสพทางมโนปิญญาณเขาเรียกส่องเสพทางมโนปิญญาณ ยินดีพอใจกับอารมณ์กลามเหล่านี้อารมณ์เหล่านี้แหละคืออารมณ์กลามถ้ า, ร, ารับลอยมันเกิดแต่ถ้าหากมันเกิดโดยหลักธรรมชาติเพราะมันเป็นอารมณ์กางก็จริงอยู่แต่มันเป็นธรรมเรารู้อารมณ์ที่เป็นธรรมรู้อารมณ์ที่เป็นรูปเห็นรูปสักทว่าเป็นรูปได้ยินเสียงสักทว่าเป็นได้ยินเสียงได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสสักแต่ว่าได้สัมผัส ความยินดีในอารมณ์นั้นไม่เกิดขึ้นความยินร้ายในอารมณ์นั้นไม่เกิดขึ้นใช้สติกำหนดจดจอ่อใช้สติทำงานใช้สติพิจารณากำหนดจดจอ่อมีสติกำหนดจดจ่อรูอยู่มีกำลังมากมีความสว่างมากมีอานุภาพมากจิ่งแล้วก็ตกไปหมดเหมือนกับส่องสว่างรูอยู่ อสรพิษมันไม่กล้ามาในที่สว่างอวิชาโมหะมันครอบครุมจิตดวงนี้ไม่ได้จิตดวงนี้สว่างจิตดวงนี้สว่างตั้นหาโผล่ไม่ได้ตั้นหาเปรียบเหมือนอสรพิษอที่มันคอยแอบคอยซุ่มอยู่ตามที่มุมที่มืดที่บด ท, ที่บงังอม เพราะฉะนั้นท่านจึงให้เอาสติเนี่ยมามาันนำเป็นบาตเป็นฐานสติปัฏฐานสติปัฏฐานเราจะพิจารณาแ ล, ล้วแต่เราถูกกับอารมณ์จริตของใครที่เราสวดมาทั้งกายทั้งเวทนาทั้งจิตทั้งธรรมใครถูกจริตนิสัยกับอะไรก็ อ, อัานมาํำกับามาพิจารณาําอยู่นั่นแหละซ้ำๆอยู่นั่นแหละทำจนได้ทำจนจนมี ทำไม่ได้ก็คือไม่ได้ทําไม่มีก็คือไม่มีทําไม่เป็นก็คือไม่เป็นทําจนได้ทําจนมีทําจนเป็นอืมือมนจะทำไม่เป็นแล้วขี้เกียจเลิกทํำไม่เป็นแล้วขี้เกียจเลิกเล่นตรงนี้แล้ว <À. S 1> อ่าเข้านั่งตรงนี้แล้วสิ่งเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นไม่เป็นที่พอใจเลิกเลื่แล้ว ก, ก็ทิ้งไปเริ่องอะไก็ทิ้งไปเลื่แล้วก็ทิ้งไป ทำตั้งใจทำแ ท, แท้มันไม่เกิดแล้วก็ทิ้งไปแล้วมันจะเกิดไหมมันไม่เกิดอ้างเอาความขี้เกียจเอาเอาความมักง่ายมาว่าเอาอ้างเอาความสะดวกสบายมาว่าแล้วก็ เ, เลิกเสียหยุดเสียเน่ยแล้วมันจะได้อะไรมันจะได้อะไรได้หรือยังเกิดหรือยังมีหรือยังเปลี่ยนหรือยังตรงนี้ที่เราจะมาย้ําในหัวใจพองเรา ความสงบแค่สงบอยู่กับอารมณ์พุทโธพุทโธพุทโธต่อเนื่องเป็นสิบนาทียี่สิบนาทีสามิบนาทีครึ่ ง, งชั่วโมงหรือช่วระยะ น, นั่งหนึ่งที่เนี่ยเรายังไม่รู้ไปไหนเนี่ยสงบตลอดต่อเนื่องจิตอิ่มอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธได้แค่นี้ส่งได้แล้วอย่าง ถ้าสองนั่นแล้วก็ส่งไว้เรื่อยๆส่งสื่อช่วงไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆหากมันค่อยละเอียดเข้าไปเพราะมันไม่ใช่เราทําสัตว์ธรรมทําจนเกิดภาวนาภาวนาทําจนเป็นทําจนได้ทําจนเป็นทําจนมีที่เรียกว่าภาวนาภาวนาทําซ้ําทําซ้ําๆทําจนได้ทําจนเป็น ไม่เป็นก็คือไม่เป็ี่นอ้าวใช่มันเป็นอะไรก็ก็มันไม่เปลีนเมือ่อเราบดขุดบ่อมันยังไม่ถึงอะยังไม่ถึงน้ําแค่ซึมซึมเอซึมซึมเออ ย, ยับยับยับยับเพอะได้กำลังใจเราขุดตามเข้าไปขุดตามเข้าไปเออทิ้งแค่นี้ก่อนขี้เกียจขี้คันเฮ้ทิ้งขี้เกียจกี้เกียจขี้คานทิ้งไว้ก่อนทิ้งไปแล้วมันไม่เหมือนบ่อที่ไหน ในใจของเราพอราทิ้งอารมณ์หนึ่งปั๊บอารมณ์หนึ่งมันก็มาแสงแล้วพอเราทิ้งอารมณ์หนึ่งปั๊บอารมณ์หนึมันก็มาแสงแล้วเนี่ยมันไม่เหมือนบ่อที่เราขุดที่ไหนมันเป็นคําเปรียบเทียบเหมือนกเราขุดบ่อซึมๆลึกลงไปลึกลงไปใกลต้ตาน้ำก็ไปใกล้ตาน้ํำก็ไปใกล้ตาน้ําำก็ไปบู้ะพบพบพบพบน้ำขุดขึ้นมาเลย อุปมาเราทําไม่ถึงแล้ขุดยังไม่ถึงถึงด้วยความอดด้วยความทนถึงด้วยสมาธิถึงด้วยปัญญาถึงด้วยสติถึงด้วยสัมผััญญาถึงด้วยความฉลาดด้วยความสามคัคคีปรอมดอกของคุณธรรมทั้งหลายเหล่านี้ทําอย่างสมัครสมาสามัคมคีขยันมันเรียนทั้งอดทั้งทนทั้งกัดฟั น, ฟนสู้ทนอยู่นั่นนหะ เพื่อให้ได้สักหน่อยหนึ่งเราจะจะรู้ว่าเราโอ้โอ้เราเห็นมั้นเราเห็นแล้วโอ้เราพบแล้วโอ้เราเจอแล้วอ๋อเราแล้วอ๋อเราแล้วอืแต่ไหนแต่ใดเราไม่เคยคิดว่าไม่เคยคิดว่าเราเราเมื่อใดจะเราสักทีเมื่อไใ่จะเราสักที อ๋อเราช่แล้วอ่อเราแล้วอ่อเราแล้วทําให้มันได้ผู้ทานออกมาอ๋อเราแล้วทำจุ๊บจุบยิบยิบยุมยุ่มยิ้มยิมเล็กเล็กน้อยนอยแล้วก็ทิ้แล้วก็ให้ความสําคัญกับอย่างอื่นสิ่งอื่นอารมณ์มันก็ถูกปัดทิ้งไปแล้วอารมณ์ใหม่ก็มาแทรกแล้วใจ มันไม่เหมือนไงานนี้ไปถางไม้หยุดถางมันก็อยู่อย่างนั้นใส่ไม้หยุดใส่มันก็อยู่อย่างนั้นอได้เวลาก็ไปใส่ต่อขุดดินขุดแค่นี้หยุดแค่นี้คิดได้เดีวไปขุดต่ออารมณ์ในใจพอหยุดปับ๊บอารมณ์อื่นมาแทนปุ๊บทันทีหยุดปับ๊บอารมณ์อื่นมาแทนปุ๊บทันทีพอทำรรมาหยุดทํางานปับ๊บกิเลแสแทรกเข้ามา ท, ทันทีแนะ ตราบที่มันยังไม่อยู่ตัวถ้ามันอยู่ตัวมันก็ยังรักษาอารมณ์ความเป็นธรรมด้วยความชอบธรรมนั้นไว้ได้ทำถึงที่มันก็อยู่ตัวทำถึงที่มันก็อิ่มตัวทำถึงที่มันก็ไม่กำเริบไม่กาเริบหนึ่งช่วงสองช่วงสามช่วงช่วงยาวช่วงยาวๆจนมั่นใจว่าไม่กำเริบ ทำซ้ำๆทำจนได้นินวรณ์แล้วพูดที่นิวรณ์มันมากัน้นการมัญจาพยาบาทคือมันไม่รักมันก็โกรธเท่านั้นนหะจิตของคนเราไม่มีอะไรไม่พอใจคนนั้นด่าให้คนนี้ว่าให้คนนั้นถลึงตาใส่ให้นึกเสียบเรียบคนนั้นนึกเสียเเรียบคนนี้น่ะมันนั่งกวนใจมันตลอดมันนั่งกวนตัวเองเราไม่รู้ตั้นถามแทรกเข้าไปเล่นงาน พุโทโธพุโทโธพุทโธมันไม่ยู้มันคิดถึงแต่อันนั้นหละจอดูมันซะก่อนตั้งสติให้เต็มร้อยระมัดระวังที่สุดพระคับประคองที่สุดไม่ให้อันันมันโผล่มาประคองไอ้ตัวเด่นตัวนี้ให้มันอยู่ในเมื่อตัวนี้อยู่ตัวนั้นก็โผล่ขึ้นมาไม่ได้พอตัวนี้เริ่มมืดเริ่มมิดมิดเริ่ม ม, ม, มอดตัวนั้นก็โผล่ขึ้นมาอันนี้เริ่มมิดอันก็ริม โผล่ <Pro S 2> ขึ้นมาอมพอนี้โผล่ขึ้นมาอันนั้นก็อันนั้นก็หุบเข้าไปมันทํางานได้เด่นชัดคนละครั้งอารมณ์ใดที่ชัดที่สุดอารมณ์นั้นแหละจ ะ, จะครองในปัจจุบันอารมณ์ธรรมเด่นกว่าอารมณ์ธรรมก็อยู่โร่ถ้าอารมณ์กิเลสมเด่นกว่าธรรมก็ธรรมก็เลือนหลังไปแล้วจางไปแล้วหายไปแล้ว กิเลสมาสวมรอไม่รู้สึกตัวโมหะที่เขาเรียกว่าโมหะโมหะไม่รู้สึกตัวการที่มีสติกับสัมมิชนยักกากับทุกระยะทุกเวลาทําให้เรารู้รู้สึกตัวรู้สึกตัวว่าเรานั่งเรานั่งภาวนารู้สึกตัวว่าเรากําลังพิจารณารู้สึกตัวว่าเราอยู่รู้สึกตัวว่าเราสว่างมีสติกำกับจดจ่อมีสัมมิชนญักกำกับจดจ่อรู้สึกตัวอยู่ รู้สึกจริงๆรู้สึกตัวไม่ใช่สัพท์แค่คพูดนะลองลองพพยายามยังความรู้สึกตัวลองดูดิอ๋อนี่ความรู้สึกตัวนี่คือตัวสัมมชัญยักสติยักสัมมชัญยักษประคองสติยับสัมมชัญยักษประคองตราบดที่สติสัมมัชยยักยัประคองยักประคองประคองอะไรประคองผู้รู้ ปองจิตถ้าไมประคองมันตกตกไปสู่สัญญาอารมณ์นิวรณ์นิวรณ์มาครอบนำต้องประคองจิตนี้ต้องประคองประคองใช้สติประคองใช้สัมจัญญะประคองใช้สัญญงสวรสำรวมระวังการสำรวมนั้นเป็นการประคอง การสังวรการระวังเป็นการประคองเป็นการประคับประคองเป็นกิจกรรมที่เราพูดเท่านั้นเหมือนกับเราอุ้มเหมือนกับเราจับเหมือนกับเราอุ้มเหมือนกับเราประคองประคองไว้เหมือนกับยกพยายามยกพยายามประคองพยายามกุ้มพยายามปลุกให้ตื่นมันเป็นกิจกรรมมันเป็นอารมณ์ที่แล้วแต่เราจะว่า ไม่งนันจิตขรามันจะตกตกก็คือขาดขาดจากความความรู้ขาดจากผูรู้ขาดจากสติขาดจากสัมผชัญนยักสติสัมผชัญนยักจางไปตัณหาโผล่ขึ้นมาอารมณ์เก่าก็แทรกเข้ามาทํางานแทนนล้วอืมพราะนี้จางไปอารมณ์เก่าก็แทรกเข้ามาทํางานแล้วอารมณ์เก่ามันเป็นโรครากโรกรารกราของมันทั้งหมดอารมณ์ของกามทั้งหมดมาว่าวุ่นวุ่นมวลในหัวใจ อารมณ์เก่าๆมันเป็นสิ่งที่ตกพลึกเข้าไปอยู่ในหัวใจของเราเป็นสัญญาอารมณ์ดูดูที่อื่นไม่เห็นเราดูไปที่ัจใครชอบนั่งพินิจพิจรารณาใครครนในหัวใจจะรู้จะเห็นจะเข้าใจใจจะสว่างใจจะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยเรอยือยู่ตรงนี้อยู่ตรงจุดอยู่ตรงจุดที่เราพัฒนา พัฒนาจิตทําให้จิตได้เจริญเจริญด้วยสติเจริญด้วยสมาธิเจริญด้ญวยปัญญาแยกมาผููเฉยๆมันเกิดขึ้นในจิตดวงเดียวกันนี่ก็แยกมาผููเฉยๆทีนัมิถะอุดทับจักรกุกุจจาวิจิกิจฉาลังเลสงสัยลังเลสงสัยทั้งนี้ให้ให้เรียนให้ศึกษา สงสัยในคุณพระพุทธเจ้าเอ้ยพระพุทธเจ้ามีจริงไหมเนะาะธรรมประสงค์มีจริงไหมเนะมาะมรรคผลนิพพานมีจริงไหมเนาะนีะ่พวกเราไม่สงสัยพเพราะพวกเราได้ยินได้ฟังเพวกเราได้ศึกษาได้อ่านในตรงได้ไข้ครัวเพราะไม่มีไม่ใช่ไม่ใช่ใชนิวรณ์จะเกิดครอบทั้งหมดมันเกิดเด่นตแต่และอย่างแต่ละอย่างเราก็สู้มันไม่ได้แนละ้วมันไม่ใช่มันจะเกิดพร้อมกันทั้งหมดมันเกิด มันเกิดเด่นทีละอย่างเราก็สู้มันไปได้แล้วการมันฉันทะตัวเดียวมันก็ดึงไปแล้วยาบาดตัวเดียวมันก็ดึงไปแล้วง่วงนอนตัวเดียวเนี่ยดึงไปแล้วภาวะของความง่วงนอนหนึ่งจิตขี้เกียจสองกายอ่อนเพลียหมดแรงร่างกายมีกําลังวังชาดีดีแต่จิตขี้เกียจ ขี้เกยียจพยุงอารมณ์พุทโธพุทโธพุทโธขี้เกยียจประคองพุทโธพุทโธพุทโธขี้เกยียจขยันถ้าขยันมันไม่ตกไปดบขี้เกยียจประคองไม่จับอารมณ์ให้ต่อเนื่องในเมื่อเราไม่ต่อเนื่องมันเกิดช่องเกิดช่องรรกเกิดช่ดองมันก็เล็ดลอดออกไปเล็ดลอดเล็ดลอดออกไปเสวย อ, อารมณ์ไปเสีบอารมณ์เก่าๆตามจริตนิสัยของมัน ก็จะจตุนิสยัยของของจิตมันเป็นมาอยู่อย่างนี้กี่กับกีกันนั่นแหละสมมติเราไม่ได้เป็นมนุษย์เราไปเป็นสัตว์ไปเป็นสัตว์ตลอดหมดทั้งพบเนี่ยนะมันทํางานได้ตลอดกิเลสทํางานบนหัวใจได้ตลอดโอกาสที่จะดําริเป็นธรรมมีน้อยสัตว์ดําริในธรรมมีน้อยไม่เหมือนมนุษย์มนุษย์เนี่ยกิเลส ท, ท, ท, ทํากิเลสกิเลสทํากิเลสทากิเลสทํากิเลสทาสลับ กันไปอยู arrived, so, ed, trust, ่น so, yes, so ั ole, falls, falls, falls, falls. ้นแหละเพราะใจมนุษย์มันเป็นใจที่ชลาใจมีศีลมีธรรมมันมีทั้งกิเลสมันมีทั้งธรรมอยู่นั้นมีทั้งดีทั้งชั่วดีชั่วดีชั่วดีชั่วดีช่วหรือว่าบาปบบุญบาปบุญบาปบุญหรือกิเลสทำกิเลสทำกิเลสทำอันเดียวกันเราพยายามกำหนดจดจ่อให้จิตมันอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันเำทำทำทำทำทำททำทกิเลสกิเลสกิเลสทำทำทำทำททำทกิเลสกิเลส ยังมีกิเลสพ้นอยู่แต่กิเลสนิ่หน่อยนี่พูดอุปมาเข้าใจง่ายๆกิเลสกิเลสกิเลสกิเลสทําำกิเลสกิเลสกิเลสกิเลสทําำเนี่ยอะไรมากกว่ากิเลสมากกว่าผลรายได้มันก็ต้องมากกว่าเป็นเรื่องธรรมดาดูไปที่ใจมันเหรียญดูดดูไปที่ใจ ลองทําทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนมีแต่ทำทำทำทำทำทำทำทำทพระเจ้าท่รงตราร้อยเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีผิดของท่านที่ไหนไม่ผิดแต่เรามันไม่อย่างงั้นกิเลสทํากิเลสทํากิเลสทํากิเลสห้ากับทำห้ากิเลสกิเลสกิเลสกิเลสทำทำทำทำกิเลสกิเลสกิเลสทำทำทำทำทำคือมันทั้งดีทั้งไม่ดีทั้งกิเลสทั้งทำปนกันไปเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีของท่านหมายความว่า มิจต์ทำหายใจเข้าหายใจออกทำทั้งนั้นะทําทําทําทําทําทําทําทําทําทําทํําทากิเลสคำเมาออกกิเลสมันโผล่ขึ้นมาไม่ได้ผลได้เป็นเรื่องของธรรมทั้งหมดทํำก็โตทําก็เจริญงอกเงยเจริญงอกงามผ่านชนะก็เต็มเต็มไปด้วยธรรมมุวยใจของเราก็ชํานิชํานาญคล่องแคล่วไปด้วยธรรมไม่เชื่อลองดูที่กิเลสกิเลสกิเลสกิเลสทำ ทำสองสามหยดกิเลสกิเลสกิเลสกิเลสกิเลสกิเลสเป็นก่อเป็นกรรมทำสองสามหยดพอไม่พอจะได้รสชาติอะไรกิเลสยิเลสกิเลสผลรายได้เป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดสุในรอบยี่บสี่ชั่วโมงอะไรมากกว่าโอ้มีแต่กิเลสมีทำผลอยู่ในนั้นนะนิดหน่อยผู้ตั้งใจปฏิบัติต้องทำทำทำทำทำทำทำทำทำ กรรมวิบากทำทำทำทำทำทำกรรมวิบากพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธนี่แหละนี่แหละคือธรรมธรมโมธรมโมธรมโมมีสติมีสัมผัสยักขมกัมสังโฆสังโฆสังโฆนี่แหละธรรมกิริยาที่เราทำนี้เป็นกรรมตกลงทำลงไปแล้วเป็นเหตุสร้างเหตุเต็มที่เต็มร้อย ผลก็ตามมาผลให้ทันทีให้ผลทันทีให้ผลทันทีในขณะปัจจุบันให้ผลทันทีจากนั้นแล้วมีผลสืบช่วงเป็นวิบากต่อไปอีกข้ามภพข้ามชาติก็ได้คํามเงินข้ามวันข้ามคืนน่ข้ามภพข้ามชาติอะไรมันจะแหลมคมยิ่งกว่าการให้ผลของกรรมสามารถให้ผลได้ข้ามภพข้ามภพข้ามชาติ ใจไม่ได้ข้ามภพข้ามชาติมันไปกับใจอให้เราแค่ว่าเราว่าข้ามภพข้ามชาติเราตายไปปับ๊บเราเกิดอันใหม่ตาอัตภาพนี้ไปเกิดอันใหม่แต่ใจมันไม่ได้ตายอ่ะมันไปกับใจอ่ะเราจะว่ามันตายไม่ใช่มันไปกับใจไม่ได้ตายโอ้กรรมให้ผลข้ามภพข้ามชาติจะว่าไปแล้วว่าถูกส่วนหนึ่งมันไม่ได้ถูกทั้งหมดนะ แต้ที่จริงใจมันไม่ได้ข้ามภพข้ามชาติมันไม่ได้ตายจากนี้ไปโปรดที่นู่นจากนู่นไปโปรดที่นู่นจากนู่นไปโปรดที่นู่นแต่ร่างกายเนี่ยตายแล้วไปเกิดเอาใหม่ใช่ไหมจะไปเป็นนอกไปเกิดเป็นไข่นั่นนะก็จะแตกออกมาเป็นลูกเป็นแม่เป็นเป็นพ่อมันน่ะจะเป็นมนุษย์ไปเป็นอะไรกว่าจะมาเกิดเป็นมนุษย์มันเก่าไปเสื่อมฉลายไปแล้วต้องไปเกิดตามภาวะความเป็นสัตว์ ไปเกิดตามภาวะความเป็นมนุษย์คือพบใหม่ของอั ต, อตภาพคำว่าอัตภาพคือตัวตนเนี่ยอัตภาพภาวะความเป็นตัวเป็นตนอันนี้มันสลายไปใจไปจับจองใหม่กลายเป็นพบใหม่พบใหม่ของอัตภาพ รวมไปถึงพบใหม่ของจิตด้วยแท้ที่จริงจิตจะว่าพบใหม่ก็ไม่ใช่เพราะจิตมันไม่ได้ดับแต่หากมันเปลี่ยนสถานนะของมันเปลี่ยนจากยืนตรงนี้มันไปยืนตรงนั้นเปลี่ยนจากยืนตรงนั้นไปยืนตรงนั้นเปลี่ยนสถา น, นะ น, ถา น, นะของตัวเองอุปทานอุปาทา น, าทานยึดยังไงก็ไปเกิดเช่นนั้นยึดยังไงก็ไปเกิดเช่นนั้นมีอะไรเต็มเปื้อยู่ในหัวใจก็ไปเกิดเช่นนั้น มีอะไรเต็มไปเหออปัวใจญ่กไปเกิดยาเวรูปเวทนาทัญญาทังขานมยาที่เราพูดถึงขันห้าเมื่อกี้ขันห้าขันห้าตัวเรานี่แหละขันห้าจิตกายกายกับจิตจิตไม่ตายที่ว่ากำให้ผลข้ามภพข้ามชาติ ก็คงจะเป็นข้ามภพข้ามชาติเฉพาะอัตภาพร่างกายจิตไม่ได้ตายไม่ได้ข้ามภพข้ามชาติจิตไม่ได้ตา ย, าา ต, ต, ต, ายตายแล้วเปลี่ยนสภาพไปจับจองมาใหม่เกิดมาใหม่ไม่เคยดับไม่เคยตายจิตแก่ไม่เป็นแต่ถ้าเราจะใช้คาว่าแก่คือมีบุญมากแก่บุญมีบาปมากแก่บาปมันไม่ได้แก่โดยอายุไขมัองอย่างเราเนี่ยแก่ยี่สิบปีสามสิบปี สีิบปีห้าสิบปีไม่ใช่แก่แบบนี้บุญมากเขาเรียกแก่บุญมีความดีมากเขาเรียกว่าแก่ดีบาบมากเขาเรียกว่าแก่บาบชั่วมากเขาเรียกแก่ชั่วภาวะมันมีแต่รู้รู้เป็นธาตุที่มีดั้งเดิมอยู่ในโลก ไม่ได้ไปคว้ามาอย่างไหนหรอกเล่าให้ฟังลองดูใครไปคว้ามาอย่างไหนไม่มีใครไปคว้ามาจากไหนเป็นพัฒนดั้งเดิมมีอยู่ในโลกเป็นสมบัติของโลกเป็นมูลเดิมของโลกมีประจําอยู่ในโลกไม่ได้ไปคว้าของใหม่มาจากไหนจิตนี่แหละผู้รู้นี่นะ่ะ กายก็เป็นของเก่ามีอยู่ในโลกมัไม่ได้ไปเอาของใหม่มาจากไหนอมาจากไหนอามาจากพ่อจากแม่ของเก่าและของใหม่ของเก่ามีอยู่ในโลกดินน้ําลมไฟมีประจำโลกดินน้ําลมไฟข้างไหนดินน้ําลมไฟข้างนอกเป็นของมีอยู่นั่งเดิมในโลกด้วยเหตุที่เรามีภาวะของมูลมรดกที่มีอยู่ในโลกเราจึงมาเกิดในโลก เราจึงมีความเกิดมีธาตุรู้มีผู้รู้ข้อดีเข้อเสียคือคือการมีผู้รู้ก็คือเรารู้ว่าเราเป็นคนเป็นมนุษย์รู้สุขรู้ทุกข์ ร, ร, ร, รู้นู่นรู้นี่รู้จะทําอะไรเพื่อความสุขเพื่อความเจริญ ก, กับตัวเองแต่ถ้าเราไม่มีผู้รู้เลยไม่มีธาตุรู้เลยก็เหมือนต้นเสารู้อะไรอะมันเอาอะไรไปทุบไปตีมาเนาะต้นเสามันปากอะไรสักคำไม่รู้เรื่อง ไม่มีอะไรแสดงโลกนี้ให้ปรากฏเพราะไม่มีผู้มารับรู้แต่กลายเป็นเป็นว่าพวกเราเนี่ยข้อเสียเปรียบขอมีธาตุรู้มารับรู้ก็คือมันได้รับทั้งสุขมันก็พอใจได้รับทั้งทุกข์มันไม่พอใจนี่แหละไอ้ทุกข์นี่แหละ ไ, ไม่พอใจภาวะที่เราประพฤติปฏิบัติโดยพฤติกรรมที่เราพยายามรักษาให้ดีให้ดี เพราะเราต้องการในความสุขความเจริญไม่ต้องการความทุกข์ความยากความลำบากจึงทำให้เรามีพฤติกรรมแตกต่างประกอบไปด้วยศีลบ้างประกอบไปด้วยธรรมบ้างประกอบไปด้วยทำบทำบนัท้นทาบทนัท้นทาบทนัท้นประกอบไปด้วยงานการบ้างเพราะงานการทั้งหลายที่เราทำลงไปแล้ว ก็ผลมีผลสะท้อนคือผลของกรรมสะท้อนทำนุนไว้ธรอันนี้ไว้มีผลงานชิ้นนั้นมีผลงานชิ้นนี้เนี่ยอาศัยผลงานเหล่านั้นเป็นผลงานที่ดีทําให้มนุษย์ได้รับประโยชน์จากผลงานเหล่านั้นนั่นคือบุญคือคุณสมบัติคือคุณงามความดีคุณสมบัติคุณงามความดี ทำให้ตัวเองใช้สอได้ได้รับความสะดวกสบายได้รับความสุขคนอื่นมาเกี่ยวข้องได้ใช้ได้สอได้รับความเหมือนอย่างที่บรรเทาทุกข์ส้วงดูที่ช่วงเป็นที่บรรเทาทุกข์เ <c oughs> วลาปวดหนักปวดเบาทุกข์หรือไม่ทุกข์ดูหน้าเอซินะดูหน้าคนปวดหนักปวดเบาซิทุกข์หรือไม่ทุกข์ลองจะออลองจะออกเวลานี้แต่ออกยังไม่ได้ลองดูซิ มันจะออกอยู่แล้วแต่มันออกยังไม่ได้มันยังไม่ใช่ที่ทุกเลยไม่ทุกดีไปดีสลบเลยนั่นแหละเอาลองดูสิจะออกแล้วจะออกแล้วไปไปกราบท่านจันจวนปีนั้นปีปศเท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้ มีแม่ชีไปกับขบวนรถ ด, ด้วยเอ่แม่ชีพจนออกแล้วแม่ชีพจะออกแล้วจออะไรไปเนี่ยจอพจน์ออกทุกข์หรือไม่ทุกข์กันทุกข์ <laughs> ผลงานที่เราทำํำสิ่งของเหล่านี้มันเกี่ยวเนื่องกับคนอื่นมันเป็นที่บรรเทาทุกข์ ผลจะท้อนมาพระอะไรนาะพระอะไรที่ว่าไปทําส้วมนะี่ยที่เป็นเป็นผู้มีโรคน้อยนะพระอะไรนะพระอะไรนะ อ, อดีตกำของท่านอนะ่ะท่านไปทำส้วมทําทําที่ถ่ายทุกนะี่ยทำที่ขับถ่ายทุกนะ่ยเพราะฉะนั้นส้วมส้วมนี่มันเป็นที่บรรเทาทุกอย่ามองข้ามนะส้วมนะ่ะนะ พวเราเนี่กิจวัตรข้อนที่เราเน้นตลอดดูแลดูแลซ่วมห้องน้ําห้องน้ําต้องสะอาดปัดตาดแล้วปัดปัดเข้าไปใกล้ห้องซ่วมตรงไหนเข้าไปดูเข้าไปล้างเข้าไปสาดเข้าไปปัดเข้าไปนู่นไปนี่ขาดอะไรเอาไปใส่ขาดกระดาษขาดสบมพูขาดแฟบไม่มีไม้กวาดหาไปใส่ไม้กวาดสวับกวาดน้ําวัดในเราวัดเราวัดของเราเราใช้จนชินแล้ว มกวาดเป็นกำรรห้อยที่กวาดน้ำใช่ๆการที่เรากวาดด้วยไม้กวาดนันกนเหมือนถ้าเราถูพื้นไปในตัวเลยสะอาดเราทำจนเป็นอาชินหลง ด, ดูที่มันเป็นบุญไหมเป็นคุณความดีไหมพระเจ้าท่านเลยตั้งไว้เว็ดจะก็ดีวัดจะก็ดีวัดจะก็ดีวัด วัดที่จะพึงทําในห้องน้ํามีนะั้ไปดูที่วัดเองวัดที่จะพึงทําในในในเวทเวชจุฬดีวัดอันนี้หมายถึงการไปใช้หนึ่งเข้าตามลําดับผู้ไปก่อนไปหลังไม่ใช่ตามอาวุโสพันเต้เกิดพันเตมันจะแตกซะก่อนน่ะทําไงเฮ้ยเราอาวุโสกว่าให้เราก่อนให้เราก่อน ตายก็ดีเอาตามใครปวดก่อนไปก่อนเข้าก่อนใครปวดหลังใครไปหลังปวดจะตายก็ต้องคอยก่อนตามคิวไม่ได้ตามเอาวุโสกันเต น, นะตามคิวน ะ, ะน้องยังมีเคารพยำเกรงและปวดยังไม่มากอ้อผู้ที่ท่านมีอายุท่านมาที่หลังรีให้ท่านให้ความสะดวกสบายท่าน อันก็ไปอยามหนึง่งแต่มันจะออกแล้วนีมน่มันไม่มีใครดูหน้าใครแหละนะหนึ่งเข้าตามลำดับไม่ได้เข้าตามอาวุโสกันเตระหว่างถ่ายไม่ให้ทำภาร ะ, ะอย่างอื่นเช่นอย่างเที่ยวไม้ชําระฟันท่านให้ทำเสร็จแล้วถ้ามีน้ำท่านให้ให้ล้าง เขาวาลัางมันไม่ใช่ล้างหัวสรวปนะล้างก้นล้างก้นนะเพราะฉะนั้นอินเดียเขาใช้จนเป็นประจำอินเดียนะคนอินเดียคนพื้นบ้านคนพื้นเมืองนะี่แหละเขาถ่ายเสร็จเขาวาลัางก้นนะเราเห็นว่าเขาไปถ่ายกลางทุ่งเรามองเห็นนี่ยเขาถือตรงน้นะําน่ะกระตรงน้ําเนี่ยก็ เ, เรียกว่ากระปาะน้ําอะไรเนี่ยใส่น้ําไปนะ่ย สรับล้างก้นนั่นนะ่ะดูธรรมเนียมเขาสะอาดเราไปอินเดียรถไปดีรถมันจอดอยู่จอดอยู่แล้วก็มีหมู่บ้านอยู่เขาก็ถ่ายสบายเขาถ่ายเข้าไปถ่ายอยู่ข้างๆข้างๆหลองน้ําเขาถ่ายเสร็จเขาก็ก้าวสองสามก้าไปเขาก็ไปกระวะล้างแน่คนแก่นะคนเฒ่านะนี่ธรรมเนียมของอินเดียธรรมเนียมนี้มีมาถึงครูที่เจา้าพรทีเจ้า ถ่ายเสร็จแล้วถ้ามีน้ำต้องล้างไม่ล้างปรับอาบัดหมายถึงล้างล้างก้นนะล้างวัวล้างก้อ น, นอันนี้เว็ จ, จะกรีวัดเว็จจกรีวัด ừ, เสร็จแล้วถ้าเป็นส้วมสาธารณะเนี่ยน้ำในกระบอกนั้นต้องใช้หมดแต่ถ้าเป็นโอสำหรับ ตักล้างอีกตั้งหาอันนี้ไม่ใช่ต้องความโอ่งไม่ใช่หมายถึงก็ถือตรงน้ําที่ไปไปล้างเนี่ยถ้าเป็นน้ําสาท้องน้านําสาชนะเนี่ยต้องล้างจนหมดถ้าเหลือน้ําเอาไว้เนี่ยเดี๋ยวเป็นเรื่องทะเลาะกันเหมือนพระทำกระถิ่กับวินัยทรนั่นพระทำกระถิกับพระวินัยทรนนี่พ ะ, ะ, พ, ะพุทธเจ้าท่านทรงห้ามวินัยข้อนี้ห้ามเหลือน้ําไว้ในในภาชนะ น้ำล้างค้อนนั่นแหละห้ามเหลือไว้เหมายถึงส้วมสาธารณะแต่ส้วมส่วนตัวไม่เป็นไรไม่ว่าห้องน้ําสาธารณะเนี่ยเหลือไว้ไม่ได้พอดีพระธรรมกถาถึงเข้าไปก่อนท่านเหลือน้ําเอาไว้พระวินัยทอนตามเข้าห้องน้ําตามหลังไปไปเห็นเอ๊ะพระธรรมกถาถึงงเหลือน้ําเอาไว้พระธรรมก็ถึงไม่รู้หรื อ, รอว่าพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติว่าห้ามเหลือน้ําไว้ในกระบอกเนะ่ย ในในห้องสวมษาสาธารณะเนี่ยพอออกมาพอออกมาก็เลยมาแล้วเอ๊ะท่านเหลือน้ําไว้เหรือครับผมเหลืออ้าท่านไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้ามันอยากต้องอาบัดเลยไม่รู้ครับเออถ้าท่านไม่รู้แล้วไม่เป็นไรเนี่ยไม่รู้แล้วไม่เป็นไรก็คิดว่าจะจบยังไม่จบพระวินัยทรไปก็ไปเล่าลูกศิษย์ฝัง ว่าพระธรรมก็ถึงม่รูกวินัยถ่ายแล้วเหลือน้าไว้ในกระบอกลูกศิษย์คนนั้นก็พูดคาคนนี้ก็พูดคำพูดไปพูดมาได้ยินถึงลูกศิษย์พระธรรมก็ถึงเกิดโต้กันแหละตอนนี้เอ้าคนไหนท่นบอกว่าถ้าไม่รู้แล้วไม่เป็นไรทําไมท่านยังไปพูดต่ออีกอะต่อปากต่อคํากันไฟธรรมก็ถึกที่ไฟวินัยทอนทีพูดไปพูดมาพูดมาพูดไปทะเลาะกันไม่เข้ากันไม่ทําอุโบสถด้วยกัน หลวพ่อพเจ้าไปไปไ ป, ไปห้ามเรายังไม่ฟังอีกพระพุทธเจ้าเลยหนีเปิดไปอยู่ในป่า ก, กับช้างกับลิงเนี่ยนั่นแหละปีนั้นแหละนี่ทีนี้ชาบ้านเขาก็โกรธเพราะเขาต้องการให้พระพุทธเจ้าอยู่ที่นั่นจำพรรษาที่นั่นเขาจะได้ทําบุญกับพระพุทธเจ้าได้กราบได้ไหว้พราะทีพระพุทธเจ้าไม่อยู่เพราะพระหัวดือไม่ยอมฟัง พระเจ้าท่านหนีไปเป็นการดัดเส้นพระเหล่านั้น่ะชาวบ้านเลยไม่ใส่บาตรให้ฉันตลอดพรรษาเนี่ยทรมานเนี่ยี้ฉันอิ่มบ้างไม่อิ่มบ้างอินบ้างไม่อิ่มบ้างก็เลยชักสํานึกได้ล้ำลึกได้ออกพรรษาเลยตกลงกันเน่ะไปกราบพระพุทธเจ้าที่เชตวั น, น mm. ไประงับด้วยตินนวัตธาริกะวินัยตินนวัตธาริกะวินัยดุด ก, กลบไว้ด้วยหญ้าเหมือนเอาหญ้าเนี่ยไปกลบขี้หมาเอาไว้เนี่ย เปิดหน้านะเปิดมัฟุง้งเปิดมันฟุง้ง <c oughs> ก็กลบเอาไว้ตินนาตินนาปลายะตินนาวัรกรวิ น, นัยแปลว่าเป็นการสงบอา่อาอธิกรณ์นี้ด้วยการไม่ขุดคุยเรื่องเบื้องหลังอตินนาวัารกะรมดุดกลบไว้ด้วยยาตินนาวัารกะวิ น, นัยเมื่อ ทารนระงับด้วยตินนาวัฏารกาวิ น, นัยเห็นโทษเห็นไฝไปขอขามาต่อพระพุทธเจ้าต่ออะไรต่ออะไรเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าท่านให้ธามุโบสถสามัคคีทําปฏิโมกเพราะส อ, สองสองสองกลุ่มมาเข้ากันแล้วสามัคคีกันแล้วให้ธรมุโบสถสามัคคีคำว่าโบสถสามัคคีที่พระพุทธจะให้ทําตอนนั้นไม่ใช่ไม่ใช่สิบสี่ข้ามหรือสิบห้าข้ามเหมือนอย่างที่เราทําคือวันไหนก็ตาม จะเป็นวันกี่ข้ามก็ตามเป็นวันที่พระสงฆ์สองกลุ่มหนึ่งสามัคคีปรองรองกันให้ทําอเบสดนี่คือความหมายอุบสดสามคัคคีทุกวันนี้ท่านก็อนุโลมมาอุบสดสามัคคีในภรษาโอเบสดนี้ทําที่วัดนี้อุบสดนั้นทําที่วัดนู้นเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยถือว่าเป็นอุบสดสามคัคคีก็ได้อยู่แต่ว่าเหตุมันไม่ใช่เหตุเหมือนเหมน คราวนั้นนี่เราพูดถึงห้องน้ำเนี่ยจุกดิ้วัดภาระทุกอย่างที่มันสืบเนื่องกับหมกับเพื่อนกับแขกกับคนกับใครก็ตามเราดูคนประโยชน์ที่จะเึิ่งเกิดขึ้นนั่นแหละนั่นแหละคือคือความดีอย่างหนึ่งส่วนหนึ่งในเมื่อเราตั้งใจจะทำก็ให้ตั้งใจทำให้ดีเป็นประโยชน์ตน ประโยะตนนั่นแหละแต่เพื่อประโยชน์ท่านทําเพื่อประโยชน์ท่านนั่นแหละแต่ว่ามันเพื่อประโยชน์ตนไอ้เรื่องตนกับท่านเนีมันไม่เคยห่างอยากกันไอ้เรื่องตนกับท่า น, น, นแม้แต่ honesty, เราตั้งใจภาวนาการที่เราตั้ง อ, อกตั้งใจภาวนาหมายความว่าเราตั้งใจจะสร้างเนื้อสร้างตัวให้เป็นเนื้อนาบุญพอเราสร้างเนื้อสร้างตัวเป็นเนื้อนาบุญแล้ว นานี้ใครจะมาทำก็ผู้ที่ต้องการบุญนั่นแหละจะมาทำแหน่ไหมทั้งที่เร า, าตั้งใจทำเพื่อตอนนั่นเละแต่มันก็เพื่อท่านผู้ที่ท่ต้องการเนื้อนาบุญมีอยู่แสวงหาที่ทำบุญเหมือนแสวงหาเนื้อ น, า ด, นาดีดีคนฉลาดแสวงหาเนื้อนาดีมันไม่ใช่ไปปลูกข้าวบนหินแฮบนหินขี้กระตายบนหินอะไรนก็ขึ้นตายหมด พืชพันธุ์ดีๆไปปลูกก็ตายที่หมดคำว่าเนื้อนาบุญหมาเพราะว่าเหมือนกับดินดีปุ๋ยดีนด้ำดีอากาศดีใส่พืช อ, อะไรลงไปก็โอ้เจริญงอกงามให้ผลเกินเกินคาดเกินหมายเกินเดาเนื้อนาบุญก็เช่นเดียวกันเราถ้องต้องใจทำหมายเพราะว่าเราจะตั้งใจเป็นเป็นเนื้อนาบุญให้กับตัวเองแต่มันก็ต้องเพื่อท่านอยู่นั่นแหละ มันก็เคลือบคุลก็อยู่อย่างนี้ยเพราะฉะนั้นไอ้ตนกับท่านท่านกับตนเนี่ยมันไม่ห่างกันไปไหนเพราะฉะนั้นขอให้ท่านทั้งอกตั้งใจทําเถอะอืจะตั้งใจทําวักสวดมันนั่งภาวนาจะเดินจนกลมจะอะไรเราตั้งใจเพื่อเป็นเนื้อนาบุญของตัวเองแต่มันก็เพื่อท่านนั่นแหละบางคนไม่มีศีลคนไม่มีธรรมมันก็อดอึดอัวเหมือนพวกนีรัถิ ที่ไม่มีศีลไม่มีธรรมเขาไปทํากับพระโมคคัลลาน่าหมดอ่ะพวกนั้นก็อดเละอดในที่สุดพระโมคคัลลาน่าก็เลย ต, ต้องถูกกรรมตามเล่นงานใช่ไหเอ อ, องค์นี้แหละองค์นี้แหละย่ำความดง่งดังดิบดีไปหมดเราพวกเราอดต้องได้จัดการเนี่ยไหมโลกมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นแหละโลกมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นมันไม่ใช่เรื่องแปลกเรื่องของโลก เอาอะไรเป็นประมาณได้เรื่องของกิเลสเอาอะไรเป็นประมาณได้เรื่องของธรรมเท่านั้นแหละมีเหตุมีผลเป็นเกณฑ์เป็นประมาณอ่าพอสมควรกับเวลาอืมเอาเดี๋ยวพวกเราคอนิสัย